ซึ่งอุตสาห์เดินทางจากระนองมาแก่งครอเพื่อที่จะพบว่าคุณทรัพย์ที่แท้จริงนี่อยู่ใต้เตียงของตัวพูดจบก็มีเพื่อนนะชื่อยอยมามาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นหลานลุงหวัด น, นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ เดินทางไปหลายจังหวัดนะเรียกว่าทั่วประเทศก็ได้เพื่อที่จะไปแสวงหาภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วก็ไปแนะนำให้ชาวบ้านเขาได้สืบทอดรักษาภูมิปัญญานั้นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยสีเรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องผ้าแล้ให้เขาเอามาใช้ประโยชน์ จะได้ทำมาหากินได้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำเนินชีวิ ต, แ, ตแล้วตอนน่อหลังก็กลับไปบ้านก็ได้ไปแนะนำชาวบ้านให้เขาได้เอาของดีๆที่มีอยู่ในบ้านอาของเขานี่มาใช้เป็นประโยชน์แต่แล้วก็มันนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเราได้แต่แนะนำคนอื่นแล้วทำไมเราไม่ทำของเราเองบ้าง มาฉเฉลียวใจว่าเราเองก็มีของดีอยู่แม่ได้มอบเอาไว้ให้มาตั้งแต่เล็กนะก็คือความรู้ในเรื่องการทำขนมแม่นี่ทำขนมเก่งนะแล้วก็มีสูตรหลายอย่างที่คนกินแล้วก็ชอบโดยเพพาะขนมครอบยวน ก็เลยเอาสูตรที่แม่ได้สอนไว้แล้วก็เคยลงเคยช่วยไปลูกมือให้กับแม่นี่เอามาทำปรากฏว่าคนชอบนะแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็เปิดร้านทำขนมก็เอาสูตรเอาความรู้ที่แม่สอนนี่เอามาทำมาหากินได้ ตอนนี้ก็ขายดีนะเปิดร้านมาได้2เดือนแล้วก็รู้สึกว่าจะไปได้ได้ดีนะก็ถึงเรียกว่าเป็นหลานลุงวัดนะเพราะว่าอุตส่าห์เดินไปเอืนทาไปหาของดีาทั่วประเทศแต่ลืมไปว่าตัวนี้มีของดีอยู่ที่แม่ให้ไวนะ้ก็ยังดีที่ไม่ไม่ไม่ลืมไปซะหมดนะเอากลับมาใช้ แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวได้ที่จริงยังมีของดีอีกเยอะนะที่แม่ให้ไว้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าพวกเรานะบางทีออกไปมองหาของดีหรือว่าสิ่งที่ใครๆคึกชื่นชมกันจนบางทีอาจจะลืมไปว่าเราเองก็มีของดีอาจจะเป็นของดีที่พ่อแม่ได้ให้ไว หรือว่าเป็นของดีที่อยู่ใต้พื้นดินของเรานั่นเองหรือว่าเป็นของดีที่ธรรมชาติได้มอบให้แก่จิตใจของเราซึ่งมีกันทุกคนที่จริงพูดถึงเรื่องของดีในใจนี่พระเจ้าก็ตรัสนะว่าโล ก, กุตตรสัพอันประเสริฐหรือว่าอริยะโล ก, กุตตรสัพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ รอริยะโลกุตรธรรมหรือโลกุตรธรรมอันประเสริฐเป็นทรัพย์ประจำตัวของมนุษย์ทุก ค, คนนทุกคนนีในจิตใจนี่มีที่เรียกว่าสักยภาพก็ได้ในการที่จะเข้าถึงโลกุตรธรรมซึ่งจะทำให้เป็นอิสร ะ, ะมีความสุขได้อย่างแท้จริง เมื่อวานนี้พวกเราก็ได้ทดลองปฏิบัติทมบางคนก็ไม่ได้ทดลองนะก็ทำจริงเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาอยู่แล้วได้มาเจริญสติวันนี้คณะเลมอนฟาร์มก็จะได้ไปปลูกป่านะที่นี่ กิจกรรมสองอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าจะคนละส่วนกันเลยนะหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตรงข้ามกันเมื่อวานนี้ก็มาเจริญสติปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ไปทําประโยชน์เหมือนกับเป็นจิตอาสาไปทําเรื่องที่มันนอกตัวแต่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น แต่ที่จริงสองอย่างนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะเสริมกันเมื่อวานนี้เราได้บาเพ็ญประโยชน์ตนะทางพุทธศาสนาใช้คำว่าอัต ถ, ถะประโยชน์ตนวันนี้เราจะไปบาเพ็ญประโยชน์ท่านะประประรัตตะนะค ว, ว่าอัตตะหรือประโยชน์นี้มันไม่ได้แปลว่าผลประโยชน์นะแต่หมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในชีวิต ทำให้เกิดคุณภาพจิตที่ดีเป็นตน้นเป็นประโยชน์ที่ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านนี้ไม่ได้แยกจากกันนะเสริมกันพระพุทธองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านและพระองค์ก็ได้สารเสริญผู้ที่บำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่ายังไม่ครบถ้วนนะทำประโยชน์ตนอย่างเดียวก็ไม่พอต้องทำประโยชน์ท่านทำประโยชน์ท่านอย่างเดียวก็ไม่พอต้องทำประโยชน์ตนแต่ถ้าทำจริงๆทำด้วยความใส่ใจทำด้วยความาบริสุทธิ์ใจหรือว่าทำด้วยความตั้งใจไม่ว่าจะทำอันใดอันหนึ่งนะมันก็มีผลไปอีกอันหนึ่งได้นะ ทำประโยชน์ตนก็ส่งผลถึงประโยชน์ท่านทำประโยชน์ท่านก็ส่งผลถึงประโยชน์ตนในลักษณะต่างๆกันมีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นแม่บ้านนะอายุก็ไม่มากประมาณสักยี่สิบเศษแล้ววันหนึ่งก็พบ ว, ว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV จากสามี ก็ทีแรกก็เสียความรู้สึกนะมีความทุกข์แต่ตอนหลังนี้ก็รู้ว่าไม่มีเวลาตัวเองไม่มีเวลามากที่จะต้องมาจมอยู่ในความทุกข์เพราะมีหลายอย่างที่ต้องทาอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือการดูแลสามีซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคเอดนะดูแลสามีอย่างดีจนเสียชีวิตแล้วก็ต่อมาก็ดูแล พ่อแม่ของสามีให้เธอเป็นคนเชียงใหม่นะก็ดูแลจนกระทั่งล้มหายตายจากไปเมื่อไม่มีภาระทางครอบครัวก็ทันมาช่วยเหลือคนอื่นและลึกได้ว่าคนที่เขาเดือดร้อนเหมือนเธอนี่มีเยอะคนที่ติดเชื้อโดยไม่รู้อีโนอินเนก็เลยไปเป็นจิตอาสาไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อ ในจังหวัดของเธอตอนหลังก็ขยายกิจกรรมไปถึงคนที่เป็นเยาวชนเพื่อป้องกันให้เขาไม่มีไม่ต้องประสบเคราะห์เหมือนอย่างเธอกไ็ไปเป็นวิทยากรตามที่ต่างๆ ต, ตามโรงเรียนไม่ใช่เป็นแค่จิตอาสาอย่างเดียวเป็นวิทยากรตอนหลังก็ไปเป็นได้รับเชิญไปออก รายการต่างๆหลายที่รวมทั้งรายการโทรทัศน์เป็นที่รู้จักตอนหลังเธอก็มาทำโครงการของเธอเองโดยเพาะช่วยเหลือเรื่องเยาวชนคราวนี้ไม่ได้ทำเรื่องเรื่องโรคติดเชื้อหรือเอด แ, แต่ขีออย่ยาเป็นเรื่องการสร้างความรู้ในเรื่องการดาเนินชีวิตให้แก่เยาวชนจากวันที่เธอรว่าเป็นติดเชื้อเอดเนี่ย จนมาถึงปัจจุบันนี่ก็17ปีแล้วแต่ว่าไม่เคยล้มป่วยนะในขณะที่หลายคนนี่ไม่ถึง17ปีแล้วไม่ถึง10ปีก็เสียชีวิตไปละแต่ที่จริงเธอนี่อาจจะติดเชื้อนางก่อนนั้นแต่ว่ารู้เนี่ยตั้งแต่วันที่รู้จนถึงปัจจุบันเนี่ยสิปีก็มีคนแปลกใจว่าทําไมเธอยังมีชีวิตรอดมาจนทุกวันนี้ได้แล้วก็สุขภาพก็ยังดีนะ ไม่ได้ล้มหมอนนอนเสื่ออะไรเลยคนก็ถามว่าเธอมีเคล็ดลับอะไรทำงานหนักอย่างนี้นี่ไม่ไม่ไม่ห่วงเลอนางเธอก็บอกว่าถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยก็ป่วยไปนานแล้วถ้าคิดถึงตัวเองนี่ก็ป่วยไปนานแล้ ว, ต ว, ว, นน แ, ลวแต่ตรงข้ามในเธอไม่ได้คิดถึงตัวเองเท่าไหร่นะไปช่วยเหลือคนอื่นไปเป็นวิทยากรทำงานซึ่งก็เรียกเป็นการทาบุญอย่างหนึ่งนะ มีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นก็กลับทำให้เธอมีความสุขนะมีความสุขเป็นคนที่ปล่อยวางความทุกข์ได้เร็วมากเนะพราะเธอรู้ว่าความทุกข์มาอยู่ที่ใจนะปรับใจให้ดีก็ความทุกข์ก็หายไปนั้นเธอก็เลยเป็นคนที่มีความสุขเมื่อมีความสุขก็ทาให้สุขภาพดีไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยแต่ตัวเองกับได้ไประโยชน์คือได้รับความสุข สุขภาพก็ดีมีคนหนึ่งไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กอ่อนบ้านปักบ้านปากเกร็ดนะอนทิษฐานสองวันวันแล้วก็สักสองชั่วโมงบ้านปากเกร็ดนี่ก็มีเด็กเยอะตั้งแต่สามขวบจนถึงเจ็ดแปดขวบที่เขาไม่มีพ่อแม่ถูกทิ้ง คนเหลานี้ก็ยังโชคดีเลยตรงที่ว่าพ่อแม่นี่ไม่ไม่ทำแท้งนะอย่างน้อยก็ปล่อยเขาได้เกิดมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในชาที่เป็นมนุษย์แล้วก็มีญิตอาสาคนเนี้ยนะเขาก็ไปเป็นพี่เลี้ยงเธอเนี่เป็นมีโรคประจำตัวโรคหนึ่งคือโรคไมเกรนปวดหัวซีกเดียวเป็นประจำแล้วต้องกินยาทุกวัน แต่ว่าหลังจากที่มาเป็นจิตอาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กอ่อนอย่างที่ว่าเนี่ยได้ไม่กี่อาทิตย์นะ่ะเธอก็สังเกตว่าวันไหนที่ไม่ได้ไปวันไหนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยวันนั้นจะลืมกินยาแก้ปวดทำไมถึงลืมกินยาก็เ พ, าเพราะว่าไม่รู้สึกปวดเลยปกติเลยนะก็เลยลืมกินยา ก็เลยพบว่าโอ้การที่เธอไปเป็นจิตอาสาช่วยเด็กนี่ที่จริงเนี่ยเด็กกับช่วยเธอนะทำให้เธอมีความสุขพอมีความสุขแล้วเนี่ยที่แรกเป็นความสุขใจก่อนแล้วความสุขใจนี่ก็ทำให้สุขกายด้วยไอ้ไมเกรนมันก็หายไปเลยนั้นจะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่เราให้แก่ผู้อื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนมันย้อนกลับมาที่ตัวเอง และไม่ใช่เพียงแค่ความสุขเท่านั้นนะจากการที่ได้ไปทำความดีช่วยผู้อื่นบางทีประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันยั่งยืนกว่านั้นก็มีถ้าก็มีคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจนะอายุสามสิกว่าก็ไปเป็นจิตอาสาบ้านปักเกรดนี่เหมือนกันก็ไปนวดไปนวดเด็กไปเป็นพี่เลี้ยงเด็ก แล้วก็ต่อมาขอเขาก็พบว่านะเขาเนี่ยเป็นเดิมทีเป็นคนใจร้อนนะเป็นคนใจร้อนนะทนอะไรไม่ค่อยได้นานแล้วก็ชอบพูดจาไม่ค่อยถนอมน้ำใจใครแต่ว่าพอเขามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาพบว่าเขาเย็นลงนะ จิตใจเย็นลงสุ ข, ขุมมากขึ้นจนกระทั่งเพื่อนก็แปลกใจเพราะว่าปกติเขาจะพูดกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่อนข้างจะหุ้นห้นนะแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเขาพูดได้นุ่มนวลมากขึ้นนะคนที่เขาพบว่าเนี่ยที่เขาเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะว่าการที่เขาไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กนั่นเอง เพราะว่าเด็กอ่อนนี่เขาต้องการความใส่ใจต้องการความใจเย็นพอไปช่วยเด็กเนี่ยดูแลเด็กเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยใจเย็นลงโดยที่เขาไม่ได้นึกว่ามันจะเกิดผลกับเขาอย่างนั้นอันนี้ก็ตรงกับเ ด, กเด็กคนหนึ่งอายุสิบนะเด็กอายุสิเป็นผู้หญิงก็ได้ ขาว่ามีเขามีการรับจิตอาสาไปช่วยนวดเด็กเธอเข้าไปก็มีความเปลี่ยนแปลงจนแม่สังเกตได้แม่ก็บอกว่าเนี่ยน้องได้เนี่ยน้องได้เนี่คือเด็กคนนี้น้องได้ใจเย็นลงนะแล้วก็อดทนมากขึ้นฟังคนได้ได้นานขึ้นแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ แต่ก่อนน้องได้นี่เป็นคนใจร้อนนะแล้วก็คงท่าทางคงจะชอบเถียงแม่ด้วยนะแต่ตอนหลังนี่ฟังฟังแม่ได้นานขึ้นแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าเดิมมีเรื่องราวคนทำนองนี้เนี่ยที่ที่เขาเปลี่ยนแปลงไปจากการที่เขาไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเช่นไปเป็นจิตอาสา ไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยเด็กอีกคนหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากอายุไม่ถึง4 0ก็มีธุรกิจของตัวเองคงจะเป็นมีสินทรัพย์เป็นล้านนะั่นนะแล้วก็มีบ้านของตัวมีรถยนต์ของตัวเองเรืยองประสบความสาเร็จแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอันนี้ก็เป็นธรรมดาคนที่ประสบความสาเร็จตั้งแต่อย่างหนุ่มเขาบอกว่าเนี่ย ก่อนหน้านี้นี่เขาถึงกับเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะแต่ไม่รู้ยังไงจับพระจับผูไปเป็นจิตอาสาคงมีคนชวนไปก็ปรากฏว่าเขาคิดถึงคนอื่นมากขึ้นใส่ใ จ, ใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นใจเย็นลงนะเขาก็เหตุผลว่า ให้การที่ไปพยายามที่จะช่วยให้เด็กเขามีพัฒนาการที่ดีเนี่ยมันมีส่วนช่วยกล่อมกลาฝึกฝนจิตใจของเขาด้วยคือคิดจะไปเปลี่ยนเด็กคิดจะไปช่วยเด็กปอกลัวว่าไอ้ความดีที่ทำเนี่ยมันกลับมาส่งผลย้อนมาที่ตัวเองมีความใจเย็นมีความสุขขม แล้วก็เข้าใจคนมากขึ้นเพราะว่าเห็นเด็กเนี่ยเขามีบุคลิกนิสัยแตกต่างกันซึ่งมันก็มีความเป็นมาก็เกี่ยวยังกับภูมิหลังเขาเข้าใจเด็กมากขึ้นแม้ว่าเด็กบางคนจะขี้โมโหเด็กบางคนจะนะงหงุดหงิดก็รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมีภูมิหลังความเป็นมาต่ไม่เข้าใจ เข้าใจคนแล้วไม่ใช่แค่เข้าใจเด็กนะเข้าใจคนรอบข้างแล้วก็เข้าใจแม่ของตัวด้วยเข้าใจแม่ตัวมากพื่อทำให้แม่ถึงเป็นอย่างนี้คือมุมมองกว้างขึ้นเขาก็เลยพบว่าไอความรู้สึกที่เหินห่างกับแม่เนี่ยมันน้อยลงหลังจากนั้นเขาก็ไปเยี่ยมแม่บ่อยขึ้นตอนหลังก็ไปเยี่ยมทุกอาทิตย์เลย แล้วก็รู้สึกใกล้ชิดกับแม่มากขึ้นอันนี้มันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่ไปช่วยผู้อื่นนะแล้วก็สิ่งที่ทำนั้นก็ส่งผลกลับมาที่จิตใจของตัวเองถ้าการเปลี่ยนแปลงหรือการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันถึงบอกว่ามันไม่ได้แยกจากการที่ช่วยเหลือตัวเองเป็นการช่วยในแง่ของการขัดเกลา จิตใ จ, ใ, จนะให้ประณีตให้สุ ข, ขุมให้เยือกเย็นใจกว้างนะซึ่งในที่สุดแล้วมันก็ดีกับตัวเองด้วยแล้วก็ดีกับคนอื่นที่อยู่รอบข้างด้วยนะอันนี้รกากรรบบาเพ็ญประโยชน์ตนถึงแยกไม่ออกจากการบำเพ็ญประโยชน์ท่านนะช่วยผู้อื่นมันก็ย้อนกลับมาช่วยตัวเอง คนเราถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอัตตามันจะใหญ่จะเอาตัวเองไป็ศูนย์กลางเปิดโอกาสให้กิเลสครอบงําได้ง่ายจะทําอะไรก็ก็ไม่ชอบเพราะว่าทุกง่ายนะคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่เป็นคนที่ทุกง่ายสุขยากแต่คนที่คิดถึงคนอื่นจะเป็นคนที่สุขง่ายแล้วก็มีความทุกข์ได้ยาก นะเจออะไรก็ไม่ไม่รู้สึกเดือดเนื้อ้อนใจอะไรพราะรู้ว่าคนหนึ่งเขาเดือดร้อนหรือทุกข์มากกว่าเรามันก็ปล่อยวางได้ง่ายนะอันนี้เรื่องประโยชน์ท่านซึ่งส่งผลต่อประโยชน์ตนแต่ในระดับกันในการมาเป็นประโยชน์ตนนี้ก็ส่งผลต่อประโยชน์ท่านได้ตัวนะอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี่ก็เป็นเรื่องของการทําข้างนอกแล้วก็ส่งผลมาเปลี่ยนแปลงข้างใน แต่ในเวาเดียวกันเวลาเราเวลาเราทกิจภายในมันก็ส่งผลต่อคนรอบข้างได้เหมือนกันนะกิจภายในใ น, ในที่นี้ก็เช่นการที่เราหันมาดูใจของเรานะแต่ก่อนเราส่งจิตออกนอกนะทำแต่งานแต่ลืมดูใจของเราแต่พอเรากลับมาดูใจของเรามากขึ้นบ่อยขึ้น มันก็มีผลนะต่อคนข้างนอกต่องานการภายนอกได้เมื่อวานนี้ก็พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเริ่มต้นจากการที่กินอาหารให้ช้าลงเคี้ยวข้าวให้ช้าลงแล้วก็ดูใจของตัวเองไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่ดูใจนี่มันมันก็จะเคี่ยวเร็วเหมือนเดิมกลับมาดูใจเห็นใจที่คิดแต่ข้างหน้าตลอดเวลาดึงกลับดึงจิตกรรมโยกับปัจจุบัน ก็ทำให้เคี้ยวข้าวได้ช้าลงแล้วก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นความสัมพันธ์กับรูกความสมัครกับคนในครอบครัวดีขึ้นแล้วความสมัครกับพ่อก็ดีขึ้นด้วยนะมันเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะก็คือแค่การเคี้ยวข้าวให้ช้าลงซึ่งทําได้เกิดจากการที่เฝ้าดูใจของตัวไม่ให้ร้นไม่ให้รีบนะให้อยู่กับปัจจุบันก็มีเพื่อนเขาหลายคนที่ ประสบเหตุการณ์คล้ายๆกันถ้ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ขับรถเร็วมากเวลาไปส่งลูกกับภรรยานเนี่ยคือเขาอยู่ต่างจังหวัด น, นะเวลาไปส่งลูกส่งภรรยาเขาเหยียบประมาณ 120-140 กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงแล้วเขาก็เพิ่งสังเกตนะว่าเวลาเขาขับรถเร็วๆอย่างนี้เนี่ย คนในรถเนี่ยจะเงียบกริบเลยนะไม่มีการพูดคุยกันเลยทุกคนนี่มองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยบรรยากาศนี่มันมันเงียบมันเกรงมากแต่พอเขาขับรถให้ช้าลงเหลือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเพบว่าให้คนในรถนี่เริ่มคุยกันและนะลูกภรรยาก็เริ่มคุยกับเขาความเกรงมันหายไปความผ่อนคลายมีมากขึ้นตัวเขาเองเขาก็ผ่อนคลายนะเขาเวลาก็ดูกระจกนะ แต่ก่อนนี้เขาหน้าหนคือขาหมดเลยนะขับรถนะแต่ว่าเ้าขับให้ช้าลงนะเขาผ่อนคลายมากขึ้นคนเราเวลาจะเปลี่ยนนิสัยจะขับรถเร็วให้ขับรถช้านี่มันก็ต้องดูใจนะเพราะใจเนี่ยมันจะหล่นแล้วก็เผลอเหยียบคันเร่งต่อเวลาแต่พอตั้งใจว่าเนช่ยันจะขับเรืยช้าลงเนี่ยไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เกิดมีขึ้นสติก็มีรู้ รู้ทันบางทีเวลาเหยียบเหยียบคันเร่งเร็วๆแรงๆหรือเหยียบจนเบ็ด น, นี่นะก็รู้ตัวก็คลายไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยขาไม่ไม่ไม่คิดเลยว่าเออมันจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นนะอีกคนหนึ่งก็น่าสนใจนะเป็นแม่มีลูกสิบขวบลูกเนี่ย เป็นเด็กที่ชอบตื่นสายทำอะไรชักช้านะในขณะที่แม่นี้ก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องไปส่งลูกแล้ววันหนวันหนึ่งก็ต้องเสียเวลาไปการปลุกลูกให้ตื่นปลุกแล้วลูกก็ยังโอเอะนะชักช้ากินข้าวก็ช้าแม่นี้ทนไม่ได้แม่ก็ว่าลูกว่าลูกด่าลูกบางทีถึงกับตีลูกก็มีนะเคยแล้วเธอก็เสียใจ และต่อมาก็ก็คิดว่าเนี่ยแบบนี้คงไม่ไม่ดีแล้วล่ะเธอก็เลยตั้งใจว่าจะพยายามพูดกับลูกให้ดีก็เลยตั้งจิตว่าเนี่ยเธอใช่คําว่าตั้งใจว่าจะนับหนึ่งถึงร้อยแล้วค่อยพูดนะนับหนึ่งถึงร้อยแล้วค่อยพูดพูดกับใครพูดกับลูกนะเวลาลูกช้าตื่นสายนี่ แทนที่จะดุดลุดคำพูดออกไปเธอจะนับก่อนนะบางทีนับไม่ถึงร้อยนะใจก็สงบนะใจก็เย็นแล้วก็พูดกับลูกดีๆนะแล้วเธอก็มาเรียนรู้ว่าเนี่ยเวลาใจมันมีความโมโหนะแต่ก่อนนี้ก็พยายามไปกดข่มมันแต่ก็รู้ว่ากดข่มนี่มันไม่มันไม่ได้ผลเท่าไหร่ กฎขมที่ไรมันหลุดไปออกหลุดออกไปทุกทีคือหลุดออกมาเป็นคําพูดคําว่าคาําด่าแล้วก็มีคนแหน่อาจารย์ของเขาคนแหนะแหน่ว่าเนี่ยเมื่อแต่ก็เมื่อแต่ ก, ก็ตามที่เรามีความโกรธมีความงหงรธหยีขุนเคืองก็ให้รู้นะให้รู้ไม่ต้องทําอะไรกับมันแค่รู้นะและถ้าจะพูดกับลูกก็พูดด้วยความรู้สึกหรือบอกให้ลูกรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรนะไม่ต้องปฏิเสธความรู้สึกของเรา บอกว่าเรารู้สึกอย่างไรก็เธอก็ไปใช้นะวันหนึ่งลูกก็เหมือนเคยนะโอ้เอะชักช้าเธอก็ต้องรีบไปทํางานโกรธคุณเคืองใจแต่ก็มีสติรู้ความโกรธนั้นรู้ถึงความไม่พอใจนั้นแล้วก็นับไปด้วยนะถ้าไม่นับนี่ก็ไม่มีโอกาสจะรู้อะมันปล่อยคําพูดหรือระบายความโกรธใส่ลูกซะก่อน นับไปด้วยแล้วก็เห็นความโกรธเห็นความไม่พอใจเห็นความร้อนรนจะรีบไปทํางานแต่แล้วพอตั้งสติได้ก็พูดกับลูกว่าลูกวันนี้ตอนนี้แม่โกรธนะแล้วก็แม่ไม่ค่อยแม่ไม่สบายใจนะที่ลูกเนี่ยทำอะไรเช้ชาเพราะว่าแม่จะต้องพาลูกไปโรงเรียน ไม่อยากให้ลูกไปสายแล้วก็แม่ก็ไม่อยากไปทำงานสายด้วยขอให้แม่ขอให้ลูกนี่นะช่วยแม่นะร่วมมือกับแม่หน่อยนะคือเธอโกรธก็บอกว่าลูกบอกลูกว่าโกรธนะไม่สบายใจก็บอกรู้ว่าไม่สบายใจแต่ว่าแทนที่จะระบายออกมาเป็นเป็นคำพูดด่าว่าโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เธอพูดด้วยความรู้ตัวแล้วพูดด้วยความรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยโกรธตัวเองเนี่ยหงุดหงิดนะ พอพูดอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าลูกเนี่ยเข้าใจแล้วก็ลูกก็ไม่งองแงเหมือนเคยไม่ต่อต้านแต่ก่อนนี่พอว่าลูกแปลมที่ลูกก็ต่อต้านนะแต่พอพูดอย่างนี้เข้าลูกก็เห็นใจเข้าใจแม่แล้วก็ร่วมมือกับแม่ลูกขึ้นมานะก็ไม่อิดออดเหมือนเคยและพพอ่อเธอกพ่อให้ความสัมพันธ์กับลูกต่อมาก็ดีขึ้นมากเลย เธอประทับใจมากวันหนึ่งลูกก็บอกว่าแม่หนูรักแม่มากนะอยากถ่ายรูปกับแม่เหลือเกินแม่จะให้ถ่ายไหมภูมิใจมากอันนี้มันก็เริ่มต้นจากการที่มาดูใจของตัวเมื่อหามาดูใจเนี่ยนะมันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วย ตัวอย่างที่พูดนี้เขาเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นเรื่องของนักศึกษานะนักศึกษาผู้ใหญ่นักศึกษาผู้ใหญ่นี่เขาเขามาเข้าวิชาเรียนวิชาหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็เก่งอาจารย์ก็เขเลยวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแต่ที่แต่ที่จะให้นักเรียนหรือนักศึกษาอ่านตำราฟังเลคเชอร์นะอาจารย์นี่ก็ให้ให้นักศึกษาทากิจกรรมเพื่อจะ มาได้รู้จักตัวเองว่ามีนิสัยอะไรที่เป็นปัญหาบ้างแต่ละคนก็พบว่าตัวเองมีนิสัยปัญหามีนิสัยที่เป็นปัญหาหลายอย่างแต่จะรบอกให้เลือกมาอย่างเดียวว่าจะแก้ไขอย่างไรให้ทําเป็นโครงงานหรือการบ้านว่าฉันจะทําอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อแก้นิสัยที่เป็นปัญหาเอานิสัยที่มันแก้ไม่ต้องยากนะ เช่นเคี้ยวข้าวให้ช้าลงขับรถให้ช้าลงหรือเดินให้ช้าลงนับ1ถึงร้อค่อยพูดนะและระหว่างที่ทำระหว่างที่ทำโครงงานก็ให้สังเกต จ, จิตใจของตัวเองไปด้วยแล้วก็จดบันทึกว่ามีความก้าวหน้าอย่างไรแล้วก็มาเข้าชั้นเรียนเพื่อคุยแลกเปลี่ยนซึ่งตรงนี้มันช่วยมากเพราะว่าถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้เนี่ย เราตั้งใจทำอะไรไปเราก็ไม่อาจจะไม่ไม่ทำได้ไม่ยืดไม่ยาวเช่นบอกว่าเคี้ยวอาหารให้ช้าลงแต่ว่าทำไปได้แค่4ีวันก็เลิกแต่ถ้ารู้ว่าจะต้องไปรายงานให้เพื่อนรู้ว่ามีมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างมันก็เท่ากับมันกระบีบังคับให้ต้องทำอย่างต่อเนื่องพอไม่งั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาความคืบหน้าไปรายงานเพื่อนได้อย่างไรจะไปบอกเพื่อนหรือว่าฉันทำสีห้าวันแล้วฉันเลิก ไม่ได้นะนฉันก็ต้องทําทุกวันให้ได้ถ้าเพื่อนนี่ก็มีส่วนนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยกาลยานมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรยเนี่ยเอาแค่ง่ายๆน่ยแค่เรื่องกินข้าวให้ช้าลงหรือว่านับหนึ่งถึงร้อยค่อยพูดเนี่ยถ้าเพื่อนก็มีส่วนมากนะเพราะเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีเหตุต้องไปรายงานความคืบหน้าในชั้นเรียนก็ก็ทําแบบไม่ตั้งใจทําเรียกว่าขาดความต่อเนื่อง ขาดความตั้งใจทาว菩萨สายเลือกาขาดอธิษฐานบารมีคือขาดความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอหนะมายถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งส่วนหนึ่งก็อาศัยเพื่อนเพื่อนนี่ช่วยําให้เราตั้งใจอธิษฐานได้ดีขึ้นหรืออย่างเวลามาสมาทานรับศีลเนี่ยทไมเราไม่สมาทานในในห้อง พระคนเดียวทำไมต้องมาสมาทานเป็นหมู่ก็เพื่อเพื่อนๆได้รับรู้ว่าเออฉันสมาทานศีลนะเป็นที่รู้กันถ้าเกิดว่าจะผิดศีลละเมิดศีลเนี่ยก็กลัวเพื่อนรู้หรือว่าจะเสียหน้าอะไรก็ว่าไปมันก็ทำให้เกิดความตั้งใจที่จะทำอย่างต่อนเนื่องเวลาเราตั้งใจทาอะไรดีๆก็ตามเนี่ยไม่ต้องตั้งใจทาใหญ่ก็ได้ทแค่เล็ก เช่นเคี่ยวค่าให้ชา้าลงนี่มันมันเล็กมากขับรถให้ชา้าลงร้อยสี่สิหรือเกิกิโลเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตอะไรแต่ถ้าทําจริงทําจังทําต่อนเนื่องทําทุกวันเนี่ยมันจะส่งผลจากภายในสู่ภายนอกเมื่อเราดูใจของเราและตั้งใจทําอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะพฤติกรรมของเราได้และจากพฤติกรรมเรื่องนี้ก็นําไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องอื่น ต่อต่อไปซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะสำหรับพวกเราซึ่งหลายคนตั้งใจว่าจะทําบุญในช่วงข้าพัรศาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากทาทําแค่อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ทําแค่เล็กๆนะตื่นให้เช้าขึ้นนะหรือว่ า, อางดกาแฟหรือว่าเคี่ยวผ้าให้ช้าลงอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรได้ มากมายตามมาถ้าทำอย่างตั้งใจทาอย่างต่อเนื่องหรือนั่งสมาธิวันละหนาทีถ้าทำทุกวันทาทุกวันนี่มันช่วยลดเล่าได้นะมีบางคนนี่นะเป็นคนติดเลา่าแล้วก็วันหนึ่งเพื่อนก็พาไปหาหลวงพ่อหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูก็ชวนให้เขานั่งสมาธิเขาบอกเขานั่งไม่ได้เพราะว่าศีนใหอยังรักษาไม่ได้เลย หลวงปู่ก็ไม่ว่าอะไรบอกว่าแกเลิกแกกินเหล้าก็เป็นเรื่องของแกแต่ว่าแกะจะทาให้ฉันได้ไหมห้านาทีแกเอาห้านาทีอะไม่ยากเลยงั้นเอาแล้วทุกวันแกก็ไปนั่งสมาธิห้านาทีนะพอนั่งไปนั่งไปทําทุกวันทำทุกวันไม่เคยขาดพรา ะ, ะปากหลวงพ่อไว้แล้วก็ขยายเป็น10นาที15นาทีบางวันกําลังนั่งสมาธิอยู่เพื่อนไปชวนกินเหล้า บอกไม่เอากําลังนั่งสมาธิอยู่ขอนั่งสมาธิให้จบก่อนพอนั่งจบปรากฏว่ามันก็ไม่อยากกินเหล้าแล้วมอไปไปมาปรากฏว่าในสุดเลิกเหล้าได้พียงแค่นั่งสมาธิวันห้านาทีนะเพราะว่าเจอความสุขที่ดีกว่านะความสุขจากสมาธิมันประเสริฐกว่าความสุขจากการสังสรรค์กับเพื่อนในวงเหล้าเยอะสุดท้ายก็ตัดสินใจบวชกับหลวงพ่อกับหลวงปู่ซะเลยนะอันเนี้เพียงแค่เราทําความดีแต่ทำํำ ทำไม่ต้องทำใหญ่ทำมากทำแค่อย่างเดียวแต่ทำให้ตั้งใจทำทำเล็กๆก็ได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้กว้างไกลามากเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างว่าการที่ทำภายในเนี่ยมันก็ส่งผลถึงภายนอกได้ทำภายนอกเป็นจิตอาสาก็ส่งผลติดถึงจิตใจภายในและเมื่อเราขณะเดียวกันถ้าเรามาดูใจของเราทำแล้วก็ตามดูใจนะให้มีสติไม่ร้นไม่รีบ นะให้อยู่กับปัจจุบันมันก็ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนกับลูกนะกับคนในครอบครัวกับพ่อแม่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยนั้นความดีเนี่ยไม่ว่าเราจะทำไม่ว่าเราจะเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นกับคนอื่นหรือว่าเริ่มต้นกับตัวเองเนี่ยมันส่งผลข้ามข้ามไปอีกฝั่งได้ทาดีกับคนอื่นก็ส่งผล ต่อตัวเองทำดีกับตัวเองก็ส่งผลต่อคนอื่นนะความดีไม่มีเส้นแบ่งนะมันส่งผลได้ทั้งกับตัวเราและกับภายนอกนะอันนี้มันก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสนะพระเจ้าตรัสว่าบุคคลเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนนะอันนี้มันมีที่มานะจากเรื่องที่คล้ายๆเป็นนิทานนะ พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเนี่ยมันมีน้ากับหลานเนี่ยเป็นนักกายกรรมมีอาชีพเล่นกายกรรมให้คนดูตามท้องถนนแล้วก็ได้เงินนะใครชอบก็โยนกันลงไปคล้ายๆกับนักดนตรีข้างถนนนะก็วันหนึ่งนะนกายกรรมนี่ก็คื อ, อยืนเลียเ้ยงตัวอยู่บนบนยอดไม้ไผ่ ไม้ไผ่นี้ไปตั้งไม่ได้ตั้งอยู่ตรงบนพื้นนะตั้งอยู่บนหัวบนหน้าผากของลุงแล้วก็ให้หลานเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงตัวเองอยู่บนปลายอีกข้างหนึ่งของไม้ไผ่วันหนึ่งหลานก็บอกวันหนึ่งลุงก็บอกหลานว่าเธอดูฉันนะฉันก็จะดูเธอถ้าเราทำอย่างนี้ได้ดีการทำกริจกรรมของเราก็จะปลอดภัยแล้วคนก็จะชมก็จะให้เงินเรา หลานแกฉลาดแกบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมก็ดูแลตัวผมแ้น้าก็ดูแลตัวน้าเมื่อเราต่างคนต่างดูแลตัวเองนะการแสดงกายกรรมของเราก็จะสำเร็จราบลื่นไปด้วยดีนะคนผู้ชมก็จะพอใจให้ให้เงินเราอันนี้พระพุทธเจ้าเล่านิทานนีจจบก็ตรัสเนี่ยว่าเนี่ยบุคคลเมื่อรักษาตน ก็เท่ากับรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนรักษาตนด้วยอะไรรักษาตนด้วยการมีสตินะมีธรรมะรักษาผู้อื่นด้วยการมีเมตตากรุณามีความอดกลั้นอดทนนันะ่นที่เราทํา2วันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันนะมันเสริมกันตรามาเจริญสติเมื่อวานเสร็จแล้ววันนี้เราก็ไปปลูกป่านะก็เป็นการบําเพ็ญทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนนะ ถ้าเราปลูกป่าให้เป็นนะเราได้ประโยชน์นะเราไม่ได้ปลูกแต่ต้นไม้ที่อยู่ในมือเรานะเราปลูกต้นไม้ในใจด้วยปลูกต้นไม้นี่ให้ให้คิดว่าเราไม่ได้ฟื้นฟูธรรมชาติภายนอกให้ดีแต่ว่าเราสามารถจะฟืนฟ้นฟูธรรมชาติในใจให้ดีขึ้นได้ด้วยต้นไม้ในใจเราก็อย่าลืมนะอย่ามองข้ามปลูกต้นไม้เราปลูกอย่างมีสตินะแล้วขณะเดียวกันก็ปลูกด้วยจิตที่มีเมตตา ปรารถนาให้ต้นไม้เขาเจริญ ง, งอกงามปรารถนาให้สิงสารสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์จากต้นไม้ที่เราปรลูกคนชาวบ้านสมัยก่อนอย่างเช่นคนเมืองเพชรเนี่ยเราก็จะปลูกต้นไม้ก็จะมีคาถากรบดินคาถาสั้นๆนะพุทธังพลาผลนกเกาะก็เป็นบุญคนกินก็เป็นทานทำมังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทาน สังคังพลาผลนกเกาะเป็นมูลคนกินเป็นทานคือเขาคิดถึงสัตว์ตลอดเวลาก็าคิดถึงผู้คนไม่ได้คิดว่าออขอให้ตัวไม้ตัวเร็วๆนะฉันจะได้รวยฉันจะได้เอาไปขายได้เงินไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดถึงสัตว์คิดถึงนกคิดถึงผู้คนตา่างๆให้ได้ใช้ประโยชน์นี่ก็เรียกว่าทำเพื่อผู้อื่นก็เป็นการปลูกเมตตาในใจให้เจริญ ง, งอกงามแล้วขณะเดียกันถ้าเราปลูกสติ ถ้าเราเลี้ยงถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราก็มีสติมันก็เท่ากับปลูกสติไปด้ว ย, ยาการมีสติรู้ตัวนี่สําคัญนะถ้าเราเวลาเราจะหลายคนในที่นี้ก็มีเป็นพ่อเป็นแม่นะีก็ควรจะสอนลูกทั้งสองอย่างสอนลูกให้รู้จักทําประโยชน์ตนและสอนลูกให้ทําประโยชน์ท่านให้ลูกมีจิตใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้อื่นรับผิดชอบต่อสังคมขณะเดียวกันก็ฝึกให้ลูกเขาดูใจอยตัวเองไปด้วยการสอนลูกให้ดูใจตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะแล้วว่าถ้าเรารู้จั ก, จกสอนเขาเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยมีพ่อคนหนึ่งเนี่ยแกกลุ้มมากเลยนะลูกนี่เป็นคนที่กลัวขี้กลัวแล้วเกิดกลัวอะไรกลัวโป๊ลูกอายุ3ามขวบเวลา จะเวลาจะนั่งเหลือข้ามฟากเนี่ยข้ามแม่น้ำเนี่ยอุ้มลูกไปที่โปเพื่อที่จะขึ้นเรือนี่ลูกจะดิน้นจะร้องนะลูกกลัวโปมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพ่อก็พยายามบอกลูกนะว่าลูกไม่ต้องกลัวพ่ออุ้มลูกอยู่นะโปะมันไม่น่ากลัวอะไรโปมันแน่นหนาแต่เหตุผลเร่านี้มันไม่ได้ช่วยลูกเลยแล้ววันหนึ่ง เขาก็ได้เรื่องได้ฟังเรื่องราวจากเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่สอนลูกให้มีสติใหู้ให้ลูกรู้สึกตัวให้ลูกรู้ทันอารมณ์ของตัวก็เลยลองไปใช้กับลูกบ้างอุ้มลูกไปทิพโปจะขึ้นเรือจริงๆงไม่ได้ยังไม่มีความจะเป็นต้องขึ้นเรือหรอกแต่ว่าอยากจะทดลองดูว่าให้ลูกนี่ลูกของเรามันจะแก้ได้ไหมลูกก็ร้องนะร้องอยู่บน ล้องอยู่บนตัวพ่อนี่แหละคราวนี้พ่อแทนที่จะบอกบอกลูกว่าลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวพ่อกลับถามลูกว่าตอนนี้ลูกรู้สึกยังไงลูกบอกลูกกลัวลูกกลัวแล้วกลัวแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนะลูกก็ตอบว่ากลัวแล้วมันใจสั่นใจสั่นแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าร่างกายเป็นยังไงก็บอกโอยขนลุกเลยนะคือ พ่อนี่ไม่ได้สอนให้ลูกหายกลัวแต่ให้รู้จากความกลัวมันเป็นยังไงมันใจสั่นขนลุกนะสักพักนะปรากฏว่าไอ้ความกลัวหายลูกนี่ลงมาจากดิ้นลงมาจากลงมาจากตัวพ่อเลยแล้วก็มาวิ่งเล่นอยู่บนโปะเลยความกลัวมันหายไปจากใจลูกนะโดยที่พ่อไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่พ่อให้ลูกเนี่ยได้เห็นความกลัวของตัว พอมาดูใจนี่ความกลัวมันหายอันนี้เขาก็ได้ได้ได้ไอเดียมาจากเพื่อนเขาอย่างที่ว่าเพื่อนเขานี่เล่าว่าเนี่ยมีวันหนึ่งนี่ลูกเนี่ยอายุ3ามสี่ขวบเหมือนกันผู้ชายโกรธยายโกรธย่าย่านี่เอาดอกไม้ของเขาที่แย่เป็นสีสีเนี่ยเอามารวมกันคลากกันนะจริงๆดอกไม้นนหลานก็เอาไปให้ย่านะ ย่าก็ชมแต่ว่ายา่าคงเห็นว่ามันจะสวยกว่าถ้าเอาดอกไม้มาผสมเป็นหลายๆสีในแจกันเดียวกันแทนที่จะแยกเป็นคนละสีสองแจกันเดี๋ยวก็โกรธมากนะแต่ตอนที่โกรธนี่ยา่าไม่อยู่แม่ก็พยายามบอกลูกว่าอย่าโ ก, กรธอย่าโ ก, กรธเดี๋ยวแม่ทาเองทำให้เองแม่จะแยกดอกไม้คนละแจกันให้ลูกก็ไม่ยอมจะให้ญ่าเนี่ยมากลับมาทาเหมือนเดิมนะ แม่ก็เริ่มขุนแล้วนะพูดสอนลูกยังไงลูกก็ไม่ยอมทีแรกทำท่าว่าจะว่าลูกเรื่องแค่นี้ก็ต้องมาโกรธด้วยแต่ว่าสักพักก็ได้สติตั้งสติได้แม่ก็ถามลูกว่าตอนนี้ลูกรู้สึกยังไงลูกโกรธโกรธจ้าแล้วลูกโกรธแค่ไหนโกรธแค่นี้แค่นี้หรือว่าแค่นี้นะ ลูกบโกรธเท่านี้เลยนะแม่ปกติถ้าแม่คนหนึ่งก็คงตกใจโวโกรธจ้ า, าขนาดเท่าฟ้าเลยเลยแต่ไม่เธอก็เออเลอะลูกโกรธเท่านี้เหรอเออนะแล้วเดี๋ยวจะบอกยาให้นะพอพูดเท่านี้นี่เด็กก็หายโกรธเลยสักพักก็ไปวิ่งเล่นปกติมันก็้แม่ไม่เคยไม่เคยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างเมื่อกี้มาก่อน ให้ความรู้ตัวเนี่ยนะเนี่ยมันมั น, ม, นมันมีอ น, นิสงส์นะมันมีอนุภาพมากเราสามารถที่จะสอนให้ลูกของเราได้เห็นเห็นใจของตัวเองได้ได้รู้ใจของตัวแต่ว่าสอนอย่างเดียวไม่พอนะต้องทํากับตัวเองด้วยถ้าทากับตัวเองได้ประจักษ์เห็นประโยชน์ของมันเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจที่จะสอนเขาให้เขารู้สึกตัวให้เขาเห็นใจของตัวเองได้เนี่ ย, ยาการการที่เรา หันมาดูใจเนี่นะมันเป็นวิธีที่จะพาตัวเองออกจากทุกข์ได้ได้ดีที่สุดนะมันกุญแจที่จะพาเราออกจากความทุกข์ได้เข้าถึงความสุขมันมีอยู่แล้วนะอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ว่าเราจะใช้ให้เป็นหรือเปล่าอ้าวแล้วก็เช้านี้เขาพูดทันนี้ชาวบ้านก็จะมีรับศีนหรื อ, ปอเปล่าอ้ามีบอกรับสินบะ